พิจารณาสองระดับการใช้ความคิดพิจารณาพิดเคราะห์ตามเหตุผลเป็นลักษณะโยนิโสมนานสิการเป็นการพิจารณาระดับธรรมดาเมื่อจิตสงบจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วสังเกตดูสิ่งที่พิจารณาอยู่เป็นการพิจารณาในสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเห็นสิ่งนั้นๆจริงๆ ให้ตั้งใจสังเกตดูเข้าไปดูชัดๆรอบๆจนรู้แจ้งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นจริงเป็นการเห็นจริงที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปดูจนถึงที่เข้าไปดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วจะกำหนดพิจารณากายง่ายขึ้นหรือไม่ไม่ง่ายเสมอไปแล้วแต่จริต ต้องฝึกจนชินต้องติดเป็นนิสัยเป็นโอปนญญิโกพอกำหนดจิตปุ๊บ ก, ก็สามารถน้อมเข้ามาหาตัวเองได้ธรรมชาติของจิตชอบออกไปข้างนอกไกลๆถึงแม้ ว, ว่าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วถ้าไม่กำหนดพิจารณาร่างกายของตัวเองจิตก็จะออกไปข้างนอกทันทีต้องฝึกให้กลับมากำหนดพิจารณาร่างกายของตนเอง อันนี้เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ต้องฝึกต้องหัดต้องภาวนากระทำอยู่เสมอเสมอบางกรณีบางคนบางจริตชอบใช้ความคิดพิจารณาก็ยกเอาผมมาพิจารณาตั้งจิตตั้งสติที่ผมเดินกลับไปกลับมาภาวนาว่าผมผมผมพิจารณาอสุภะ ความไม่สวยไม่งามถ้าพิจารณาอย่างไรอย่างไรก็ไม่เป็นอสุภะถ้าเช่นั้นก็เปลี่ยนยกความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมาพิจารณาดูถ้าไม่รู้สึกเป็นอนิจจังก็ให้ผ่านไปแล้วเปลี่ยนไปพิจารณาให้เห็นว่าเป็นทุกข์ทนยากคือทุกขังถ้าไม่รู้สึกอีกก็ให้ผ่านไป เปลี่ยนเป็นพิจารณาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถอนผมทิ้งทิ้งลงไปบนดินแล้วเหยียบไปเหยียบมาเหมือนเหยียบดินพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุดินอาศัยมโนภาพนึกว่าไม่มีผมก็ไม่เป็นไรถอนทิ้งถอนทิ้งลงไปบนทางเดินเหยียบไปเหยียบมา ให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นอนัตตาโลมาคือขนที่ถอนทิ้งลงไปบนทางเดินแล้วเหยียบไปเหยียบมาเหมือนเหยียบดินพิจารณาเป็นธาตุดินเล็กฟันหนังก็ทำเหมือนกันผ่านไปแล้วห้าอย่างอาการสา5บสองลบห้าเหลือย7สิบเจ็ด ส2 5ิสองลบห้าเหลือยสิบเมื่อไม่มีหนังฟันเล็บขนผมแล้วลองคิดดูว่าร่างกายของเราจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็นึกเอาเริ่มจะเป็นผีแล้วถ้าใครเห็นขณะนี้ก็วิ่งหนีกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าคนที่รักเรามากที่สุดก็คงจะวิ่งหนีด้วย แล้วตะโกนว่าผีผีผีภาวนาต่อไปพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างให้หลุดออกจากร่างกายเราน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดเมื่อธาตุน้ำตกลงบนทางเดินแล้วทางเดินจะเปลี่ยนเป็นแฉะแฉะหน่อยๆยาบดิน ธาตน้ำให้หลุดออกจากร่างกายให้เหลือโครงกระดูกอย่างเดียวให้เหลืออาการเดียวคืออัฐิกระดูกกายคือกระดูกกระดูกคือกายโครงกระดูกเดินโครงกระดูกนั่งโครงกระดูกยืนโครงกระดูกนอนโครงกระดูกพูดโครงกระดูกเคี้ยวอาหารลมพัดไปพัดมา คืลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความรู้สึกมีความคิดคือธาตรู้พิจารณาเห็นว่าเป็นอสุภะสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธาตุดินสักแต่ว่าธาดดตุาาลมสักแต่ว่ารู้สึกสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่ารู้เดินไปเดินมา พิจารณาอยู่อย่างนั้นดำรงสติมั่นอยู่ระหว่างจิตกับกายหาความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่ได้เป็นอนัตตาลำดับการกำหนดพิจารณากายขั้นสติสีน เอาสัญญามาฝึกสติโดยการนึกมโนภาพเช่นนึกถึงกระดูกนิ้วมือแล้วผูกจิตไว้ที่นั่นเป็นการฝึกจิตโดยอาศัยอดีตสัญญาขั้นสมาธิเมื่อจิตเริ่มสงบความคิดต่างๆไม่มีจิตตั้งมั่นที่กระดูกนิ้วมือสติหนักแน่นติดต่อกันก็กลายเป็นสมาธิ ท่านปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วให้พิจารณากระดูกนิ้วมือนั้นต่อไปจนเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆ จ, จนปล่อยวางได้เมื่อพิจารณากระดูกนิ้วมือคือกายแล้วก็พิจารณาจิตต่อไปจนเห็นว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตกายก็สักแต่ว่ากาย แล้วดำรงสติไว้ระหว่างกายกับจิตสิ 10. มรณสติท่านให้เจริญมรณสติเพื่อความไม่ประมาทเป็นการเร่งเร้าให้ทำความดีให้มีความขยันหมั่นเพียรละความชั่วเร่งทำความดีเราต้องเตือนสติไว้ว่าการพิจารณาความตายถ้าปราศจากปัญญาอาจจะเกิดโทษ ทำให้กลัวตายมากขึ้นหรืออาจเกิดวิภวะตัณหาในชีวิตปัจจุบันเกิดความเกลียดค้านเกิดความเกียดคร้านในชีวิตไม่มีจิตใจที่จะต่อสู้กับปัญหาชีวิตการพิจารณาความตายจนเกิดความสลดสังเวชอยากพ้นทุกข์แล้วพิจารณาอริยสัจสี่และเจริญอนาณาปานสติต่อไป เช่นนี้เป็นการพิจารณามรณสติที่ถูกต้องถึงแม้จะเกิดปัญหาหนักหๆในชีวิตก็สามารถตั้งมั่นอยู่ในความดีความถูกต้องได้ความตายคือการพลัดพรากจากกาันเป็นความเสื่อมไปการแตกสลายไปแห่งสังขารการพิจารณาความตายก็เพื่อให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดรู้ลมหายใจออก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าปล่อยวางอดีตอนาคตปล่อยวางสิ่งอื่นคนอื่นปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดความจำต่างๆทุกอย่างรวมทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองด้วยสิ่งใดปรากฏอยู่ย่ายึดปล่อยไปทำความรู้สึกน้อมเข้ามาทุกๆครั้งที่ลมหายใจออก น้อมเข้ามาลมหายใจเข้าน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาวิธีกําหนดความตายพยายามกําหนดรู้ลมหายใจออกกําหนดลมหายใจเข้าสงบ ก, ก่อนยกคาถาขึ้นในใจและกาหนดพิจารณาในเนื้อความตามบทสวดมนต์ด้วยใจสงบพร้อมๆกับหายใจออก หายใจเข้าอยู่อย่างนั้นมรณะปริโยสานังเวชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบไม่ต้องรีบให้คำตอบไม่ต้องให้เหตุผล mm. เพียงแต่กำหนดรู้แล้วหายใจออกหายใจเข้ารักษาใจสงบนิ่งให้เกิดความสลดสังเวชจนเป็นสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแล้วคำตอบจะเกิดขึ้นเองเพื่อเข้าใจความตายเราต้องเข้าใจชีวิตคืออะไรเพื่อเข้าใจววชชีวิตคืออะไรเราต้องเข้าใจความเป็นจริงว่าเราคืออะไรโดยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่ในอนาปานสติตามที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่แหละ มรณะสติภาวนาเป็นการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเริ่มตั้งแต่ใจเป็นศีลใจสงบไม่ยินดียินร้ายใจเป็นสมาธิสงบโดยธรรมชาติเข้าสู่สมาธิจิตมั่นคงจนกระทั่งสามารถมองเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารเข้าสู่วิสังขารในที่สุดอมทุกข์อมสุขปกจติคนเรานี้อมทุกข์ได้เก่งมากจริงๆแต่อมสุขไม่เป็นเลยความสุขความพอใจที่เกิดขึ้นนี้ เราต้องฝึกและรักษาเอาไว้ปกติแล้วเรามักชำนาญในการเก็บความทุกข์มากกว่าความสุขเรียกว่าเก่งโดยไม่ต้องปฏิบัติอะไรที่ไม่ถูกใจอะไรที่เป็นทุกข์เรามักเก็บไว้รักษาไว้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติบางครั้งก็ผูกอาคาตพยาบาทได้นานๆหลายพบหลายชาติ อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเก่งในการอมทุกข์แต่ตรงกันข้ามเราไม่เก่งในการอมสุขอมทุกข์เก่งแต่ออมสุขไม่เก่งไม่สมดุลกันถ้าเปรียบเป็นขาก็เหมือนคนมีความยาวของขาไม่เท่ากันเป็นคนพิการถ้าเราเก่งในการอมทุกข์ไม่ถึงขนาดนี้เราก็ต้องฝึกให้เก่งในการอมสุขด้วย คอยตามสังเกตดูก็ได้มีใครสักคนหนึ่งยกย่องเสริเสริญเราแค่คำเดียวเรารู้สึกมีความสุขมากแต่ความสุขนี้ไม่นานก็หายไปเหมือนน้ำแข็งก้อนเล็กๆในฤดูร้อนไม่นานก็ละลายหมดไปตรงกันข้ามถ้ามีใครนินทาเราสักคำเดียวเรารู้สึกทุกข์เจ็บใจตลอดไป หลายสิบปีอาจไม่ลืมก็ได้เหมือนก้อนหินใหญ่ๆก้อนหนึ่งที่อยู่ในหัวใจตลอดไปความสุขเดียวๆก็หายไปแต่ความทุกตกค้างอยู่ในใจเรานา น, านแสนนานความจริงสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขก็มีมากเห็นรูปสวยได้ยินเสียงไพเราะได้ดมกลิ่นหอมได้ลิ้มรสอร่อยได้สัมผัสที่ดี ใจคิดถึงเรื่องดีๆก็ได้รับความสุขมากมายตลอดเวลาแต่ความรู้สึกสุขก็อยู่ไม่นานผ่านไปผ่านไปหมดเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขมีมากกว่าเรื่องทุกหลายร้อยเท่าแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความทุกข์มากเราสะสมทุกข์ไว้เต็มอกเต็มหัวใจของเราเราจึงเครียด เป็นทุกข์มากสังคมจึงมีคนเครียดมากขึ้นมากขึ้นเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือพยายามทำความทุกข์ที่เหมือนก้อนหินใหญ่ๆที่อยู่ในหัวใจของเราให้เป็นน้ำแข็งก้อนเล็กในฤดูร้อนไม่นานก็หายไป ฝึกอมสุกอาณาปานสติขั้นที่ห้าหเจเรายกเอาปีติสุขมาเป็นบทศึกษาเราทําใจของเราให้มีปีติและสุขทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าทําใจของเราให้เต็มไปได้วยปีติและสุขเหมือนกับอาปีติและสุขทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าคือฝึกอมสุขนั่นเอง เมื่อเราอมปิติสุขได้มากขึ้นเท่าไรอมทุกข์ก็จะค่อยๆจางไปใจเราก็เข้าสู่สมาดุลที่ดีเมื่อเราเข้าสู่สมาดุลที่ดีแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขเกิดขึ้นก็ให้ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้ดับไปเห็นธรรมชาติของเวทนาเห็นว่าทั้งสุขและทุกข์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นความสลายไปคือความดับดับดับของเวทนาเมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็ไม่อมทุกข์ไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่เหนื่อยนี่แต่เบาสบายมี่แต่สันติสุขยึดความสุขเหมือนไส้เดือนกลัวดินหมด ทีนี้พอเรามีความสุขเราก็ยึดความสุขอีกกลัวความสุขจะหมดไปเหมือนไส้เดือนกลัวดินจะหมดไส้เดือนกินดินเป็นอาหารทุกวันเขาก็กลัวดินหมดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นพอจะมีความสุขบ้างก็ยึดเอาความสุขนั้นกลัวว่าความสุขนั้นจะหมดไปและจะไม่มีอีกในอนาคตพอยึดก็เป็นทุกข์ ความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์ทันทีเช่นบุรุษคนหนึ่งเห็นหญิงสาวสวยมากคนหนึ่งในที่ทำงานเดียวกันก็มีความสุขมากเหมือนคนที่เห็นดอกไม้สวยเห็นธรรมชาติที่สวยก็มีความสุขถ้าเราไม่ยึดเราก็มีความสุขชั่วขณะเป็นปกติต่อจากนั้นเห็นรูปสวยต่อต่อไปหลายสิ่งหลายอย่างก็ผ่าน สายตาของเราไปเรื่อยๆ เ, เราก็สบายตาสบายใจเราอาจจะมีความสุขมากในชีวิตก็ได้แต่ถ้าเรายึดในความสุขเกิดยินดีเกิดตัณหาอยากได้เป็นของเราบุรุษคนนั้นก็ดิ้นรนหาทางทําความรู้จักกับหญิงสาวคนนั้นหาโทรศัพท์หาที่อยู่อยากจะสัมผัส อยากได้ภรรยาของตนเขาอาจจะมีสามีแล้วตัวเองก็มีภรรยาแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีทันทีที่ยึดความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ทันทีที่นี้สมมติว่าเขาเป็นโสดเราก็เป็นโสดแต่เขาไม่สนใจเราก็เป็นทุกข์อีกหรือต่างคนต่างเป็นโสดได้แต่งงานกันก็มีความสุขแต่ไม่ช้า ก็เกิดความหวงหึงกลัวเขาจะไปมีแฟนใหม่เกิดความทุกข์อีกความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ได้อย่างนี้หลวงพ่อจาก็เปรียบเทียบว่าการยึดในความสุขก็เหมือนจับงูเหา่าเมื่อเราจับหางูเหา่าเราก็มีความรู้สึกที่ดีแต่ไม่นานก็ถูกงูเห่ากัดแน่นอนท่านจึงสอนว่าความสุขอย่ายึด ความทุกข์ก็อย่ายึดชอบไม่ชอบอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายินดีอย่ายินร้ายอนาปาณสติท่านห้า7คือการศึกษาเวทนาโดยยกเอาปีติสุขมาเป็นบทศึกษาถ้าเราศึกษาและฝึกจนชำนาญแล้วเราก็จะเข้าใจเวทนาทุกอย่างตามความเป็นจริง และสามารถเอาชนะเวทนาทุกชนิดทั้งหลายทั้งปวงท่านผู้ฟังที่เคารพคะทั้งหมดนี้ก็คืออานาปานสติวิธีแห่งความสุขเล่มที่หนึ่งของท่านพระอาจารย์นิสุโอะคาเวสโกนะคะ ก็จบโดยบริบูรณ์เล่มหน่งค่ะ